เพืบ้งที่เคารพคะได้เวลาที่จะมาเปิดคำที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันแล้วนะคะกับพระอาจารย์เพรบุญอภิปุโ น, โนจากวัตปาดรณไฮโสปดรนธานีในห่วงเวลาของการิเรนอีกห่วงหนึ่งในช่วงเดือนนี้เดือนที่แล้วนี่เดือนนี้นะคะเราไปกราดนอมสักการท่านเลยค่ะน้อมสักการกันทั้นคะเชิญบ้านค่ะก็มาถึงรายการของเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปสู่คําถามที่ฉันอยากจะให้ท่านได้พูดถึงพระพุทธองค์ ราะว่า่วงเวลาครบรอบการประสูดการตรัสรู้และปรินิพานคือวิสาขบูชาก็ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วค่ะมีความสามารถหนึ่งที่ธรรมาจึงว่าพระพุทธเจ้านี่โอ้โหเหนือชั้นมากคือพระพุทธเจ้าเหนือชั้นกว่าหลายๆคนหลายๆอย่างมากแตนมีอันหนึ่งที่เหนือเหนือที่ที่เราควรจะพูดถึงกันคือมียานชนิดที่แน่วแน่พิเศษเอคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามีสมาธิที่แน่วแน่มากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรานะ ไม่สามารถเข้าสมาธิตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่9ได้เนี่ยทั้งฉลาดในการเข้าฉลาดในการดำรงอยู่ฉลาดในการออกทั้งอนุโลมปฏิโลมเนี่ยเราจะไม่ปฏิญญาตัวเองไว้ว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะค่ะทีนี้อันนี้คือเรื่องทางทฤษฎีเรื่องทำปฏิบัติเป็นยังไงนพระพุทธเจ้า บ, าบอกงี้มีครั้งหนึ่งตอนอก่อนพระพุทธเจ้ า, าใกล้จะปรรลุนิพพานละตอนนั้นไปนอนพักอยู่ที่ป่าเขาเรียกป่าอะไรเนะ ป่าทางไปเมืองกุสินารานเนี่ยก่อนที่จะถึงเมืองกุสินาราผลปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนายปุกกุสะเข้าไปถวายผ้า2ผืนให้พระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกอัง น, นั้นถวายเราผืนหนึ่งแล้วกันอีกผืนหนึ่งถวายให้อานนท์นะระหว่างนั้นก็มีการสนทนากันปุกุสะเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอรบบรถบดกลามโคตรนะคืออาจารย์ของพระพุทธเจ้กาก่อนที่จะตั้สัตว์รู้น ะ, ะเขาไปไปนั่งสมาธิอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วก็เกวียน กวยนเนี่ยห้า้อยเล่มผ่านไปกวยนเนี่ยน ะ, ะที่เขาแบกของเนี่ยาไปกอกเกือกกเเอออกรบรามโคเนี่ยที่ได้สมาธิขั้นที่ขั้นที่แป ะ, นะะบบขั้นที่9กนะอาราบรามโคได้สมาธิขั้นที่เก้าเนี่ยไม่ไม่หวั่นไหวเลยแบบนิ่งอยู่ตลอดยกย่องอารา บ, บกรามโคต ร, ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้บุกุสะที่เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเรานะคร า, าวหนึ่งนั่งอยู่ที่โรงกระเดื่อง คราวนั้นโรงกระเดื่องนี่คือโรงที่เขาตาข้าวะนะแล้วก็ตอนนั้นฝนฝนตกอยู่สายฟ้าเนี่ยลั่นตึมขึ้นมาเลยพาในที่ใกล้ๆโรงกระเดื่องนั้นปรากฏว่าผ่าไปถูกชาวนาสองพี่น้องนะตายแล้วก็มีวัวลากเข็นวัวแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยนะวัวที่ก้าเป็นมัดมั ด, มดเนี่ยอีก4ตัวตายฟ้าผ่าจนคนตายแล้วก็วัวตายด้วยสีตัวฟ้าผ่าดังขนาดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้สึกอะไร นะพอฝนซารแล้วก็เลยเดินออกมาเดินจงกรมในะอยู่บริเวณใกล้โรงกระเดื่อง <c oughs> ก็เห็นชาวบ้านเขามามุงอะไรฮือฮาฮือฮากันมีคนหนึ่งเขาก็เลยเข้ามาถามว่าโอ้ยนี่ท่านาสมณะเห็นไหมเนี่ยโู้ฟ้าผ่านี่ท่านรู้เรื่องไหมพระเจ้าเราก็บอกไม่รู้เรื่องเลยนะคือไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่หมายว่าหลับอยู่นะแต่มีสัญญาอยู่นะมีการรับรู้อยู่แต่ว่าจิตเนี่ยไม่เข้าไปรับรู้เรื่องฟ้าผ่าและนี่คือยานที่บ่งบอกว่าโอ้โหขนาดฟ้าผ่าจนวัวตาย4ตัว คนตายสองคนเนี่ยนิ่งไม่ไหวติงเลยคเอาเอาเราเนี่ยอย่างแค่ว่ามีคนมาจ้าเอกข้างหลังเฮ้อเราก็ตกใหญ่ละถึงเขาไห ม, มท่านคะท่านพานถ้าจะพูดถึงว่าแล้วที่ท่านมีสภาวะแบบนี้อืนั่นเป็นเพราะว่าชาญหรือยานของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะคะคือสมาธิที่พระเจ้ามีเนี่ยมีความลึกมากในที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่า มีขั้นไหนนะระดับไหนแต่อย่างน้อยต้องเป็นระดับที่แปดเพราะว่าอาราธบทกรรมโคดเนี่ยได้ระดับแปดระดับแปดชื่ออะไรคะระดับแปดชื่อเนวะสัญญาณสัญญายาตนะเป็นอรูปสัญญาสมาบัติอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณลักษณะของเนวะสัญญาณสัญญายาตนะเหมือนกับเราจะพูดถึงนิยามอย่างเฉยเนี่ยจะให้นิยามอย่างไรคะอคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าอรูปชั้นแปดชั้นขั้นที่แปด คือเป็นสมาธิที่แน่วแน่มากไม่มีรูปไม่มีรูปเลยใชนะะ่นี่ก็เป็นคุณสมบัติของพระพุทธองค์ของเรายังมีอะไรอีกไหมคะที่เราจะนํามาถวายเป็นพุทธบูชาในพุทธชยันติสอง0ัปีแห่งการตรัสรูะะ้เนี่ยค่ะอันนี้คือต้องการจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราจะแก้ไขได้เหมือนอย่างกรณีที่ฟ้าผ่าเราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ค่ะนะคะโดยเอามาตรฐานสูงมากเลย เอาอาชี้ให้เห็นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติไปตามวิธีที่ท่านบอกเพราะท่านก็ต้องปฏิบัติพิธีนี้นั่นแหละนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีสมาธิที่แก่กล้า ม, มากขึ้นมากขึ้นได้อืท่าน<ะ>พิบูณ์คะ่ะทีนี้มาถึงคําถามได้ไหมคะถ้าถึงแล้วเนี่ยที่ฉันอยากจะกลับเรียนเผื่อผู้ที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติบางคนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าอะนะคะฟังถ้านอาจารย์พิบูลพูด ในส่วนหนึ่งก็ยังเครือบแคลนใช่คําสอนพทธเจ้าจริงไห ม, มเพราะว่ายิ่งถ้าไปอ่านพุทธวจะนะเฉยๆเนี่ยก็อาจจะแบบยากที่จะเข้าใจสําหรับคนส่วนใหญ่นะคะทีนี้ก็เลยเกิดการสแสวงหาครูบาอาจารย์แล้วหาอาจารย์นี้แล้วก็ไปหาอาจารย์นั้นแล้วก็ไปหาอาจารย์โนตสิ่งที่พบก็คือว่าถ้าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากและตัวของคนที่ไปหานี่ก็มั่นใจว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่จเจริญใน การปฏิบัติจริงนะคะเพียงแต่ว่าทําไมวิธีที่ท่านสอนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไปต่อเรื่อยๆนี้ยิ่งไปยิ่งงงนะของเดิมก็เริ่มสั่นคลอนอของใหม่ก็ไม่กล้ารับเต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อวิธีการสอนนี้ต้องไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะอะไรเพราะอย่างพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเลยแล้วสอนชาวนาก็สอนอย่างหนึ่งอสอนข้าราชการก็สอนอย่างหนึ่งอสอนพระก็สอนอย่างหนึ่ง ตอไม่เหมือน <tha> กันยังไงอย่างสมมติชาวนาสอนให้อดทนใช่ไหมขา้าราชการหนี่สอนให้หาทรัพย์หรือขา้าราชกรบดีเนี่ยสอนให้หาทรัพย์ให้เ ข, ข, ข่งขันแข่งสอนพระสงฆ์นี่บอกอให้วางทรัพย์ทรัอะไรนี่ปล่อยวางซะอย่างเงี้ยมันก็สอนไม่เหมือนกันนะวิธีการที่จะนําเสนอข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันแต่แต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปสู่ความดับทุกข์ค่ะทีนี้อย่างนี้<ม>ค่ะหมายถึง อันนี้ดิฉันปัดตอนมาที่คนในโลกปัจจุบันนี้เลยที่แสวงหาวิธีการปฏิบัติธรรมที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแต่พอไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีหลายวิธีจังอันไหนถูกก็ไม่รู้แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรดีอ๋อเออก็อวิธีที่ทําให้จิตเราสงบได้ค่ะนะคือวิธีการต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าสอนกม็มีมีเยอะเหมือนกันไม่ใช่พระเจ้ากสอนอย่างเดียวอนนาปัญสติพระเจ้ากสอนมรณะสติพระเจ้ากสอน อันนี้จากสัญญาพระเจ้าขรอน์อธิ น, นวัสัญญาพระเจ้าสรศนนึกออกปะทีนี้เราก็เลือกมาปฏิบัติสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยท่านคือการที่เราไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีการเข้าใกล้สมณะเป็นมงกุลอย่างยิ่งนะทีนี้ว่าข้อมูลต่างๆที่เราเอามาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใกล้เกียงของพระเจ้าเราก็มาเปรียบเทียบกับพุทธวจนะทีนี้ไอการที่ไปเที่ยวสอยหาครูบาอาจารย์เดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวองค์นั้นเนี่ยมันมีข้อเสียตรงนี้ที่ว่า<ห> ถ้าเราทําอะไรไม่ถูกเนี่ยคือการที่เรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่ายัางต้องไปแสวงแหวงหาครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังมีข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถูกอยู่หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณทําถูกแล้วคุณเป็นแบบพระอรหันต์แน่นอนคุณไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแล้ว <Okay. S 1> แต่เพราะเรายังต้องแสวงหาอยู่เราจึงต้องมีข้อที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นถูกไหมทีนี้ถ้าคุณไม่ลงใจในครูบาอาจารย์สักคนใดคนหนึ่งที่พอจะบอกสอนเราได้เอ้ยนี่ก็ไม่มีใครจะบอกสอนคุณได้ พ <Okay. S 2> ระพุทธเจ้าจึงบอกว่างั้นให้เธอเข้าไปตั้งความครบยําเกรงในสัพพรมจารีคือพระพุทธเจ้าหรื อ, อใครคนใดคนหนึ่งที่เราเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะที่ความเกรงและความกลัวของเราจะตั้งอยู่ในบุคคลนี้พ <Yeah. S 2> นะระพุทธเจ้าใช้บทพยัญชนะอย่างนี้นะที่หีรีและอตปะของเราเนี่ยจะตั้งมั่นอย่างแรงกล้านในบุคคลนี้แล <Okay. S 2> นะคือบุคคลนี้ดา่าเราได้บอกเราได้สอนเราได้บอกแล้วเราจะทําตาม อย่างเช่น<ะ>คนที่เราไม่ลงใจด้วยผู้บ้านใจคนนี้โอ้พูดอย่างนี้โอ้ยสงสัยไม่ถูกว่าไปดีกว่าไว้เอา้เอาถ้าท่านปฏิบัติดีแบบชอบท่านพูดถูกใช่ไหมไอ้ที่เราไม่ถูกคือตัวเราเองแสดงว่าเราไม่ลงใจงั้นคุณก็ไม่มีทางได้ก็ต้องไปหาอีกอย่างเงี้ยนะหาะไปเรื่อยจนกว่าจะได้ก็ทําไมก็ก็เอาเราก็เอาหยุดมันสักที่อะไรที่หนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอืมเด่ท่าเข้าใจว่าคงจะมีคนจํานวนพอสมควรทีเดียวแล้วนะคะที่จะมีปัญหาในลักษณะนี้เนื<ะ>่องจากว่า ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าดีนะคะคือมีผู้ที่มีเมตตาที่จะสอนในสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างเงี้ยเยอะมากเลยหลายสํานักแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็เรียนด้วยจิตใจที่ตั้งใจดีแต่พอเกิดความขัดแย้งกันในตัวเองเพราะว่าเอ๊ะทำไมสอนไม่เหมือนกันทำไมอย่างนั้อย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าก็ดูเหมือนกับชีวิต ในเมื่อพระองค์บอกประมาทไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเร่งปฏิบัติก่อนทําอะไรแม้กระทั่งดับไฟที่ไม่ศีระถูกไหมคะใช่แล้วเนี่ยมันก็เลยก็เกิดคําถามนี้ ก, นก็ต้อง<า>ก็ต้องพูดอย่างนี้นะว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยก็มีพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งเหมือนกันแต่เพราะนั้นถ้าเราจะไปเที่ยวสวหายไงั้นคุณก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่พึ่งเลยน ะ, <ช>ะพระพุทธเจ้าบอกเอาตัวเราไม่อยู่แล้วแต่อะไรเราอยู่ทํามากกับวิไนแต่เราก็ใช้ทำวิไนนั่นแหละเป็น เป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ากาลยานมิตรเนี่ยมีได้สีนัยยะใช่ไหมนัยยะแรกคือเอาตัวพระพุทธองค์เองนะเป็นกาลยานมิตรนัยยะที่สองนี่เอาเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้นะที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเรื่อมิตรใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างที่สมเอาธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยคืออริยมรรคไม่องแปดเนี่ยเป็นครูอาจารย์เป็นกาลยานมิตรก็ได้หรือว่าคนเป็นเป็นที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นคารวะหัวดําๆเนี่ยที่เขามีศีล เนะี่ยมีศรัทธามีจาระฆามีปัญญาเนี่ยเป็นกาลยานมิตก็ได้นะกาลยานิมิตนี่ยังมีความหมายในยัดหนึง่งคือหมายถึงครูบาอาจารย์ก็ได้เพรานะฉนะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราไม่เอาบุคคลเราไม่ลงใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เป็นไรคุณก็เอาคําสอนพุทธเจ้าก็แล้วกันนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีพอฟังไปมันก็จะมีการบางทีมันก็ไม่ได้สงสัยนะคะแต่เกิดการจัดการให้มีการสอน ในลักษณะอื่นๆอยู่รายรอบตัวแล้วก็มีความรู้สึกโอ๊โอกาสเปิดขนาดนี้ก็ไปเรียนทีนี้ว่าอย่างที่ว่านี่ยแหละคือเราต้องอตัดสินใจคือถ้าคนเข้าใจพุทธวจนะดีแล้วเนี่ยนะคุณยมติวเขาจะมีความลงใจในครูบาอาจารย์ทุกองอาจจะมีความเ <c oughs> คารพยำเกรงในครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เลยแต่ถ้าท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากน้อยแค่ไหนก็ระดับที่ท่านทำเราจะมีความเคารพยำเกรงในสง นะเราจะมีความสบายใจว่าออคําสอนไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเพราะเราเห็นแง่มุมตรงนี้ที่ท่านพูดหมายถึงงี้เห็นแง่มุมอีกองคหนึ่งพูดงี้หมายถึงตรงนี้อ๋อมันมาจอดกันกับคําพุทธเจ้าอย่างนี้ค่ะนะเราเราจะมีความมั่นใจตรงนี้เกิดขึ้นค่ะก็หมายความว่าครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกๆองค์เนี่ยถ้าศึกษาตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นอย่างดีแล้วเราจะต้องรู้ว่าตัวเราเองจะเกิดการยอมรับไปโดยปริยายด้วยเหมือนกันใช่ว่าต้อง ว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพท่านศีลดีปฏิบัติดีใชคะอย่า ง, <ด>งตัวธรรมาเนี่ยนะคุณยมติวเราฟังเราก็ฟังเทศของครูบาอาจารย์มาเหมือนกันนะทีนี้ตอนแรกได้ที่เราฟังเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะทาไมไม่เหมือนกันองค์นี้พูดอย่างนี้องค์นั้นพูดอย่างนั้ น, นทีนี้พอเรามาศึกษาพระวจนะเรามีความเข้าใจมากขึ้นไปเนี่ยนะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยพ่อมาหลังๆเนี่ยนะคุณยมติว๋วเรามาไปฟัง ครูบาอาจารย์ะอะไรต่างอีกเนี่ยนะเราพบว่าอ๋อมันสอดคล้องกันในแง่มุมนี้ที่ท่านพูดอย่างเนี้ยบทเพียนชนะของพุทธเจ้าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันมีแง่มุมนี้ที่วันมันจะเหมือนกันอยู่อย่างเงี้ยคือเราเห็นแต่ความสอดคล้องรับกันได้ไม่มีไม่เป็นไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เวลาจะหมด i ี่ฉันถามอีกคําถามหนึ่งคือเหมือนกับว่าเมื่อเราปักใจไปแล้วล่ะพระอาจาสย์ศัทธาครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้อื ๆ, ๆเรายัางจําเป็นต้องศึกษาพุทธวจะนะไหมคะโอ้แน่นอนแน่นอน นะเพราะว่าครูบาจารย์ท่านนั้นนเนี่ยก็ศึกษามาจากสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเหมือนกันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรคะกับการที่รู้พุทธวจะนะแตกต่างกับไม่รู้อย่างไรสําหรับผู้ปฏิบัติค่ะคือความแตกตางของเราจะมีมากขึ้นนะความเข้าใจในธรรมะของเราจะมีมากขึ้นนะความไหลลื่นความเขาเรียกว่าอัฏฐาอธิบายเนี่ยอัฏฐานเนี่ยพระเจ้าเรลาบัญญัติธรททรมะเนี่ก็ทั้งอัฏฐาและพยัญชนะ แต่นะถ้าเรามีความศึกษาเป็นความรู้ที่แตกตางนี่ก็ทําให้ความเข้าใจในธรรมะของเรามีอัธมมากขึ้นค่ะดงนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นสรุปเลยก็คือว่าเราไม่ต้องไปกลัวพระสงฆ์ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนนะคะขอให้รู้ว่าท่านนั้นเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธองค์ที่มีหน้าที่ที่สําคัญคือสืบทอดพระศาสนาเราสามารถที่จะ ให้ท่านเป็นกัลยะาณมิตรได้ทุกทุกใช่ใชแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ปักใจลงไปสักที่หนึ่งมันปัญหาจะเกิดเพราะตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติสักทีหรือว่าปฏิบัติแล้วไม่สรัทธาก็ไม่ไปทางไหนใช่และการที่จะศึกษาพุทธวจะนะนั้นเป็นเรื่องดีมากกว่านะคะเพื่อที่จะได้ทําให้การปฏิบัติของท่านเจริญไปถูกทิศ ถ, ถ, ถูกทางถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นนะคะเลีงเข้าใจเพาวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟัง มากที่สุดเพราะมีคนแบบนี้อยู่เยอะก็นมัสการขอบพระคุณท่านเพียบบุเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณอีกสูงค่ะสนฟังที่นบค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยดิฉันมีแง่มุมอื่นสําหรับผู้ปฏิบัติที่จะมากราบเรียนถามท่านเพียบบุญอีกก็โปรดติดตามรับฟังกันต่อไปก็แล้วกันแต่ขอให้ท่านยังยืนยันที่จะไม่เพียงแต่รู้นะคะเพราะการที่เราจะได้ประโยชน์นั้นอยู่ที่เรานํามาปฏิบัติค่ะและต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยวันนี้ก็กราบนมัสการขอบพระคุณ ท่านเพภและกราบเรียนท่านว่าคำถามของท่านเพบื่อูที่ท่านจะถามกันนั้นเพียวธรรมะ /106 ก็ได้หรื อ, อยังจะต้องใช้โทรศัพท์อยู่ก็ที่022690006นี้ก็ได้ซึ่งทางสถานีก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับนะคะพร้อมกันนั้นใครที่อยากได้พู้ทศชนะไปศึกษาเพราะเรายืนยันเหลือเกินว่ามีประโยชน์มากก็เชิญค่ะ ที่เบอร์022690006นี้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องนัดหมายกันใหม่คะ่ะที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นมาเสร็จทำจะได้งอกงามขึ้นไปอีกในรายการ ส, ามสัสมมนาซึ่งดำเนินรายการโดยสัมส น, นาคมทาง f m 106วิทยุสทครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะเราเสนอรายการทุกวันจันท ร, ร์ ถ, ถึงวันศุติ5ถึงตี5ครึ่งขอให้พุทวจ น, นั้นทาให้ชีวิตของท่านประสบ ก, กับความสวัสดีค่ะพุททวสวัสดีค่ะ